หลวงพ่อครับช่วงนี้เนี่ยเวลาเวลาผมเห็นดูความคิดเนี่ยมันก็เห็นความคิดชัดเดียนะฮะหลวงพ่อมันมันเห็นแล้วมันก็ดับแล้วมันก็หายไปเกิดความรู้สึกอะไรมันก็ดูความมันก็หายไปแต่ผมมีความรู้ผมผมข้ามไปตรงที่ข้ามไปตรงที่เพ่งไม่ได้ฮะหลวงพ่อเราเวียดไปบังคับมันห้ามไม่ได้ครับมันเคยชินจะเพ่งมันก็เพ่งครับแล้วก็แค่รู้ทันรู้ทันด้วยความเป็นกลางนะ การเพ่งก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่าเทียมกับสภาวะอย่างอื่นคแต่ถ้าเพ่งแล้วเรายินร้ายเราก็รู้ทันเนามันก็สอนเรานะแล้วห้ามไม่ได้ดูออกไหมสภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้ผมเห็นเห็นเห็นเป็นครั้งข่าหลวงพ่ออย่างเมื่อวานที่บอกหลวงพ่อว่าก็คือว่ามันไม่เห็นตัวเองครัมันเห็นเป็นกระจายเป็นขันแต่เห็นแค่สามตัวครับไม่เป็นไรเห็นไม่ถึงท้าครับปกติเขาก็เห็นสามตัวนะส่วนใหญ่ก็เห็นแค่นั้น ไม่ต้องเห็นห้าแต่ว่าเมื่อไรที่แยกออกไปเป็นสองแค่สองนะก็จะเริ่มเห็นเราตัวเราไม่มี mm hmm. มีสามตัวสี่ตัวจะกระจายให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้ mm hmm. ยังกระจายเป็นเป็นธาตุธาต mm ุสิบแปดเป็นอายตนาหก mm hmm. เป็นขันห mm ้า hmm. เราเราดูขันห้าดูอายตนะหกดูธาตุสิบแปดเนี่ย mm hmm. เพื่อกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไป กระจายออกเป็นส่วนๆว น, นะเมือเราถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆรถยนต์ก็หายไปเร<ะ>ับเะนนแค่ถอดเป็นสองอันมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งแล้ว<ะ>ถ้าเป็นหนึ่งก็เป็นเร า, เราหลวงพ่อครับแล้วช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมคล้ายๆกับหลวงพ่อบอกผมเหมาะดูจิตแต่ผมรู้ว่า เวลาผมดูจิตแล้วมันเผลอไปมันมันไม่รู้ตัวเพราะผมมีความรู้สึว่าผมเลยพยายามวิหารละธรรมผมช่วงนี้กลับมาดูกายมาเพ่งกายก็ได้นะได้ไหมฮะหลวงพ่อได้แต่อย่าเพ่งก็แล้วกันผมติดเพ่งกายไหมฮะหลวงพ่อติดเพ่งไงหลวงพ่อเลยพยายามบอกให้ไปดูจิตแทนเดี๋ยวมาดูกายแล้วมันไปเพ่งอยู่ตลอดไปมันกลัวเผลอฮะใช่หลวงพ่อมีกลัวเผลอใช่ถึงถึงนะครับผมใช่ถึงถึงมันคล้ายๆเราทําธุรกิจเหมือนกันบางครั้งก็ต้องเสี่ยง ถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลงทุนก็ไม่กาไรหรอกแต่ไม่ได้เสี่ยงแบบซุ่มเสี่ยงเสี่ยงแบบมีชั้นเชิงมีหลักการงั้นอย่า ก, กลัวเผลอเผลอเรารู้สึกเผลอลรวรู้สึกทีแรกจะเผลอนานถึงจะรู้สึกต่อไปเผลอนิดนึงก็รู้สึกเพราะจิตมันเคยจำสภาวะของความเผลอได้พอเผลอปุ๊บรู้สึกเลยนะอย่า ก, กลัวเลยผมเผลอได้วันหนึ่ง หลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นพันเป็นหมื่นครั้งยิ่งดีใช่ไหมฮะผมได้เป็นหลักลออร้อยฮะหลวงพ่อหลักร้อยก็เยอะแล้วนะโ <c oughs> ดยเฉพาะต้องต้องเย็นเย็นด <c oughs> ้วยนะหลวงพ่อกลางวันจะไม่ค่อยรู้ตัวกลางวัน <ฮะ S 2> ทําไม่ได้เราต้องทํางานต้องทํามาหากินทําไม่ได้ทําเท่าที่ทําได้นะ <Okay. S 2> แค่เป็นร้อยก็พอแล้วดูไปเรื่อยพระพุทธเจ้าเคยถามพวกพระว่าวันหนึ่งเนี่ยเห็นพิจารณาความตายกี่ครั้ง ก็บอกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสิบครั้งร้อยครั้งพระนรนนร้อยครั้งพระพุทธเจ้าบอกประมาทเราตาทาคตนะพิจารณาความตายตลอดเวลาคำจริงคําว่าพิจารณาความตายภาษาไทยะแท้จริงก็คือการเห็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลานั่นเองยิ่งเห็นบ่อยก็ถือว่าไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือมีสติประมาทก็คือไม่มีสติเราไม่มีสติมันก็ไม่เห็นสิ ต่แรกๆเราได้เวลาร้อยครั้งก็เก่งแล้วนะค่อยฝึกไปต่อไปมันชำนิชำนาญแต่เวลาทำงานที่ต้องคิดยังไงก็ไม่ได้หรอกต้องสละไปตัวนั้นหลวงพ่อครับตอนนี้ผมสร้างพบอยู่หรือเปล่าฮะสร้างแต่ว่าพบอันนี้บางกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเพราะเริ่มรู้ทันการสร้างพแลนะครับอ้าว่าไปหลว ง, งพ่อครับมีปัญหาค่ะคือว่า คือคือดูตัวเองยังไม่รู้ว่าค่ะว่าว่าเป็นยังไงอยากให้หลวงพ่อแนะนำมาค่ะมาต้องดูตัวเองให้รู้นะให้หลวงพ่อดูแทนมันใช้ไม่ได้เราต้องรู้ทันตัวเองโดยเฉพาะให้คอยรู้ทันใจของเราใจของเราเนี่ยจะมีกิเลสเกิดทั้งวันนอะดูออกบ้างไหมเดี๋ยวก็โลภอยากโน่อนอยากนี่น ะ, ะเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวยังโน้อนอย่างนี้นิสัยขี้โมโหดูไปดูง่ายหรอกโกรธแล้วก็รู้สึกไป รู้ว่าโกรธนะไม่ใช่บางครั้งก็รู้อะค่ะเออนั่นแหละหัดไปใหม่ๆก็รู้น้อยต่อไปก็รู้เยอะเป็นอย่างนั้นทุกคนอ้าวอุทัยอ่ะส่งกันบ้านไม่ยกมือก็เรียกแล้วน้ำมัสกางกับหลวงพ่อรู้สึกภาวนาสบายขึ้นครับก็เห็นจิตไหลไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้เรื่อยๆืยสบายสบายฮะแต่ว่าก็ก็ ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่แต่ก็กลางพอแต่ก่อนครับอ่ะดีแล้วครับอ้านู่นวันนี้จะมีความระวังจงใจที่จะระวังตัวเยอะนั่นแหละกว่าทันวันผ่านมาค่ะให้รู้ไว้นะมันจะไปติดตัวนี้อยู่แล้วก็จะเริมีเห็นบ้างเหมือนกับเราพยายามไปบังคับหรือหรือตบตบให้จิตใจมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะดีที่รู้ทัน และตอนนี้ยังมีปัญหามากไหมคะหรือแค่วันนี้มีปัญหามากมีความกังวลใจกลัวภาวนามไม่ดีให้รู้ทันลงไปเลยไม่มีอะไรแล้วเอาใครจะคุยยกมื อ, น, อนั่นยกมือละ ว, ว่าไปเลยเวลาที่มีอารมณ์ไม่พอใจมากระทบเนี่ยค่ะแวบ็บแรกเราจะรู้รู้ว่าเราไม่พอใจรู้ว่าเราโกรธแต่แต่อารมณ์ไม่หายไปอ่ะค่ะอะเรา ก็สักพักพอพอเข้าไปรู้อีกมันมันก็ยังไม่ไม่ดับไปแต่ว่าดีกรีมันลดลงอะคะในในระยะเวลาที่เรารู้สึกว่ามีอารมณ์นั้นมากระทบเนี่ยค่ะ เ, เราควรที่จะตามรู้ไปเรื่อยๆจนมันดับไปเองหรือเปล่าคะเราพอรู้ไปนะบางทีก็มีอารมณ์อื่นขึ้นมาแทรกสัก่อนที่มันจะดับให้ดูนะเช่นอารมณ์ไม่ดีความโกรธเกิดขึ้นพอเราไปรู้ตรงนี้รู้ ถ้าจากนั้นไม่พอใจอยากให้หายโกรธเนี่ยอยากให้หายโกรธเกิดขึ้นมาแทรกแล้วเราก็รู้อยากให้หายโกรธรู้ปัจจุบันไปถ้าชํานาญขึ้นมาก็จะเห็นว่าอันนึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาถ้ายังไม่ชํานาญก็เห็นอันนึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไม่ทันจะดับนะเห็นอันใหม่แทรกขึ้นมาแล้วเราก็รู้นใหม่ไปก็เมื่อปีที่แล้วที่เคยมาส่งกันบ้านกับพระอาจารย์นะคะแล้วเราเคยถามกับพระอาจารย์ถึงอารมณ์ที่มันกระทบแล้วทํา ถามว่ามันเป็นตัวรู้เป็นส ต, ติตัวจริงหรือเปล่าพระอาจารย์บอกว่าเป็นสติตัวจริงก็ระลึกถึงอารมณ์ตอนนั้นสภาวะตอนนั้นมาตลอดแต่พอหลังๆเนี่ยคือมันไม่ได้ไม่ได้สติตรงนั้นไม่ได้สภาวะตรง น, นั้ น, น, น, นก็ก็รู้ตามว่าไม่ได้ไม่ได้จงใจที่ต้องการที่จะให้ได้สภาวะตรง น, นั้นตามที่เราเคยได้มาค่ะก็จะตามรู้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะดีแล้วนะการภาวนาตอนนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะ จิต ใ, ใจมีความสงบสุขสบายมากขึ้นปร่งลงเบามากขึ้นนะภาวนาดีขึ้นหัดใหม่ๆเนี่ยเวลาสติเกิดมันจะรู้สึกหวือหวาเนะีเมื่อสติเกิดบ่อยๆแล้วไม่หวือหวาล้วมันจะนิ่มๆอย่างนี้แหละอย่างนี้ดีกว่าอย่างโน้นนะอย่างโน้นมันหวือหวาไปขอบพระคุณค่ะข้าราชการพระอาจารย์ครับ <c oughs> ตอนนี้ช่วงนี้ก็ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็ความทุกข์ก็ ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่ามันมั น, มนสั้นลงครับอืครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นภาวนาดีขึ้นนะครับแต่ไม่แน่ใจหรอกถูกต้องสินะครับไม่ต้องไม่แน่ใจหรอกถูก <c oughs> นะขอบคุณครับ ท, ทนทนไปนะเรียนทีแรกสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกค่อยๆฟังไปถึงวันหนึ่งใจตื่นขึ้นมาแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ <c oughs> นั่นเป็นไปเองอ่ะ ไม่ใช่เราทําได้นะเราทําไม่ได้หรอกเราก็ดูเอาดูกายมันทําดูใจมันทําไปได้จะเข้าใจแล้วก็วางเพะั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะให้รู้ไปรู้เล่นๆไปไม่ต้องไปเกลียดมันไม่ต้องไปรักมันรู้ด้วยความเป็นกลางแล้วกลางก็ไม่แกล้งทําขึ้นนะมันกลางเองอะอ้าวใครจะคุยต่อเชิญ ฝึกรู้ตัวอยู่อะค่ะแต่ทีนี้ไม่ทราบว่าที่ตัวเองทําอยู่นั้นถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะถูกแล้วที่พยายามฝึกต้องฝึกเรื่อยๆนะหัดดูไปกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะถูกนะถูกที่ฝึกละถ้าไม่ทําตัวเนี้ยไม่มีถูกมากกว่านี้ละจุดเริ่มต้นก็คือลงมือเดินเสียนทะีอะลงมือเดินไปจะเดินผิดเดินถูกนะั้นอยู่ไม่ห่างครูบาอาจารย์เดี๋ยวโดน ตะล่อมเข้ามาเดินจนได้เลเอาสาร้านหนึ่งก่อนฝนะึกไปฟังซีดีหลวงพ่อไปนะคนมาฟังซีดีหลวงพ่ อ, อยังไม่มีเพี้ยนนะไ ม, มไม่มีบ้าสักลายหนึ่ง ม, ม, มีแต่เพี้ยนมาจากที่อื่นใจลอยรู้จักไหมนั่นแหละภาวนาดีอย่างนั้นใจลอยแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันนะอ้าวคนไหนจะต่อมีไหมของคุณเดี๋ยวขัดไปนะ อ้าวว่าไปก็ตอนนี้รู้สึกสบายสบายขึ้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าขมไปนิดนิดหรือเปล่าขมไปนิดนิดนะจงแน่ใจเถอะคมแล้วมีติดตรงไหนอีกบ้างหรือเปล่าครับติดอยากดีอยากดีก็กดเอาไว้นะเช็ดก่งใหม่ไปทั้งน้นหน่อยกราบน้าสกาหลวงพ่อครับในการที่ผมปฏิบัตินะฮแะแบบนี้ฮะว่าคือผมจะ กำหนดลมหายใจนะครับว่าถ้าว่ามีเสียงดังมาเนี่ยฮะพอเสียงดังอย่างเช่นเสียงรถชนหรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เบรกดังเอียดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราจะตกใจและหันควบไปดูทันทีนะครับแต่พอหลังจากที่ฝึกแบบว่าพอได้ยินเสียงเราหายใจออก ย, วยาวๆหายใจเข้าลึกๆนะครับและพอพอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเนี่ย ว่าเสียงรถเบกรกหรือว่าเสียงรถชนเนี่ยแทนที่เราจะหันควับไปดูทันทีเนี่ยเราจะหายใจออกยาวยๆก่อนแล้วหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งก่อนอแล้วค่อยหันไปดูเนี่ย อ, อย่างนี้ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องหรือว่าต้องแก้ไขอย่างไรไหมครับเอาอย่างนี้ดีเกโยมนะอย่างนี้มันเหนื่อยไปหน่อยต่อไปเวลาได้ยินเสียงเอียดข้างหลังนะถ้ามันเอียดมาใกล้ๆเราอย่ามัวแต่ดูลมหายใจนะเพื่อมันวิ่งมาใส่เรานะ แล้วต่อไปพอมันเอียดเข้ามาเนี่ยใจเราตกใจรู้ทันว่าใจตกใจนะเรารีบดูไวๆนะให้รู้ทันใจของเราซะไม่ใช่หันไปหาลมหายใจเพื่อไม่ให้มันตกใจเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ให้ตกใจนะแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าเวลามันจะตกใจเนี่ยจิตมันตกใจของมันได้เองจิตมันทำงานเองมันตกใจเองเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรา แต่ถ้ายมพอตกใจยมมากำหนดลมไว้ก่อนเนตกใจหายไปหันไปดูอย่างสบายใจใจสงบอันนั้นเป็นสมถะได้ความสงบเราพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้ดูใจมันตกใจไปตรงที่ใจตกใจเนี่ยเคยมีพระมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะบอกตอนท่านวัยรุ่นท่านไปเที่ยวลอยกระทงเอ๊ะงานอะไรลอยกระทงใช่ไหมที่เขาจุดพลุดูสิแก่จนลืมลนะไม่ได้เที่ยวนาน พอเขาจุดพูุโป้งขึ้มานาะตกใจท่านเห็นความตกใจของตัวเองความตกใจขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะงั้นเราตกใจแล้วเรารู้ที่ตกใจเราไม่ใช่ตกใจแล้วพยายามฝึกให้มันไม่ตกใจอีกนะค่อยๆฝึกนะฝึกไปอ่ะตูบิโบหะเยอะค่ะจิตใช้ได้นะภาวนาดีอ่ะใหญ่ ไม่ค่อยมีอะไรค่ะหลวงพ่อก็ดูไปเรื่อยๆค่ะเหลือใจประคองไว้นะประคองเอาไว้ดูออกไหมข่านิดนึงค่ะอืมดีของตู่เป็นธรรมชาติดีอันนี้กร็นมรส ก, การหลวงพ่อครับก็ปีนี้เป็นปีที่สาม ก, กว่าที่ได้มากราบหลวงพ่อนะฮะตอนนี้ก็อตอนที่รอไม่ก็กระวนกระวานนิดหน่อยนะครับก็จริงๆก็อาศัยซีดีของหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมในช่วงเช้า กับเย็นนะครับระหว่างที่ขับรถไปทำงานก็คิดว่าอย่างกิเลสใหญ่ๆอย่างเช่นโมโหอะไรนันเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเห็นกิเลสที่เล็กๆก็เห็นอยู่บ้าง น, นะครับปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าพอจะเริ่มเห็นกิเลสได้เองครับก็สิ่งที่ยังพล่องอยู่ของผมก็คงจะเป็นเรื่องการสมรถะคงไม่ค่อยได้ทำช่วงก่อนนอนนะครับยังจะมาวัดนี่ก็ซ้อมมาสักหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้านะฮะ ก็ยังถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ยังใช้ไม่ได้ของหลวงพ่อแต่ว่าก็คือมีความมุ่งมั่นที่คือเห็นแล้วว่าทางนี้เป็นทางที่จะพาเราหลุดพ้นได้ครับเป็นทางอันเปิดเิยก็คงจะพยายามดำเนินตามวิถีทางที่ถูกต้องต่อไปครับหลวงพ่อที่ยมฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะความรู้เนื้อรู้ตัวอะไรมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเราคอยรู้ของเราไปเรื่อยนะวันหนึ่งใจมันรู้แจ้งมันก็ยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มี ทั้งกายทั้งใจนะเป็นของโลกอาศัยเขาอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็คืนเจ้าของเดีวค่อยฝึกอย่างนี้นะแล้วมันจะพัฒนาของคุณภาวนาได้ดีเฉะลยจิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลเบาตรงนี้ไม่เบาละนะแข็งไปนิดหนึ่งแล้ว ร, รวบเข้ามาลครับมันรวบไปไ ป, ไปรวบเข้ามานะปล่อยไปนะเอาคุณเสื้อแดงเบอร์ยี่สบสามยกมือไว้เนะพิ่งเริ่มอะค่ะอยากทราบว่าเออเริ่มเริ่มต้นนี้ถูกต้องหรื อ, อยังถูกต้องแล้ว แล้วก็ อ, อ, อ, อ, อยากให้หลวงพ่อแนะนำอะค่ะแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มั่นใจคือได้ยินแต่ละท่านเนี่ยจะมีการทำสมาธิอะไรอะค่ะแต่ตัวเองก็ไม่เคยทำไม่ทราบว่าต้องเริ่มตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอะคะยังไม่ต้องหรอกนะทางใครทางมัน ค, คนไหนเขาทำสมาธิได้ก็ให้เขาทำไปแล้วการตามดูตามรู้นี่ก็คือหมายความว่าการรู้อารมณ์ความรู้สึกใช่หมคะใช่ ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างเช่นมันเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่ามันเผลออย่าไปจ้องไว้ก่อนนะค่ะตอนนี้เริ่มถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่แล้วแล้วตอนนี้มันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกิเลสไม่ค่อยมีอะไรเนี้ยค่ะแต่แตมันนิ่งๆนิ่งนิ่งไปไหมคะอ่ามันนิ่งไปอ๋อนิ่งไปเพระตรงที่ใจเราประคองเอาไว้ให้นิ่งอย่างตอนเนี้ยนะกิเลสจะไม่โผล่มาให้ดูค่ะเหมือนเราถือไมเรียวไว้ยืนไป เฝ้าเด็กไว้คนหนึ่งเด็กคนนี้ไม่กล้าสนเลยใจเราตอนนี้ไม่กล้าสนเพราะเราไปจอ้องมันไว้ค่ะแต่เริ่มถูกต้องแล้วก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆใช่ไหมฟังไ ป, ไปเรื่อยๆฟังแล้วดูจิตไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ฟังไปเรื่อยๆ <c oughs> ตอนแรกฟังก็คือไม่ค่อยเข้าใจค่ะเห็นหลวงพ่อบอกให้ดูจิตดูจิตก็ไม่ทราบว่าดูยังไงเออตอนนี้พอดูเป็นแล้วเนาะเออย่างนี้แล้วพอเป็นแล้วใช่ไหมเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วผ่านมาแล้วผ่านไปนี่แหละเรียกว่าดูจิตละอ อ้อาวเก่งปีหนึ่งแล้วได้อะไรบ้างครับ <c oughs> ไม่ไม่ทราบเหมือนกันทำยังไม่ได้อะไรเลยครับแต่ภาวนาแล้วจะบอกให้ภาวนาแล้วไม่ได้อะไร <c oughs> ไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไป <c oughs> ได้แค่เห็นความจริงของกายของใจนี่ครับ <c oughs> สภาวะที่นิ่งๆอยู่ตอนนี้นี่มันติดนิ่งมากไปไหมครับก่อนหน้านี้ใช้ได้นะแต่ น, นี้ใช้ไม่ได้ครับ <c oughs> ตะกี้ที่ตอนที่หลวงพ่อจะเรียกอะครับแต่น่ะกำลังดีถึงเรียกให้รู้ไว้ก็มันทคงสภาวะมานานเหมือนกันแล้วครับก็เลยสงสัยว่าเหมือนแบบมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่แค่รู้มันไปครับเราสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเราอยู่ต่างหากดูบ่ไหมใ่เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความนิ่งตัวนั้นแต่ว่ามันเหมือนว่าไม่เห็นสภาวะที่ที่ที่เกิดขึ้นไม่จําเป็นตอนนี้สภาวะมันละเอียดคมันละเอียดมันประณีต มันมีความสุขขึ้นมาเราก็รู้มันไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปพอใจมันแล้วก็ค่อยรู้เอาเพราะว่าที่ที่ผ่านมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งคือว่าสภาวะที่เกิดขึ้นกลางหนะ้าอกคือเหมือนว่ามันแทบไม่เห็นเลยแล้วมันก็ทรงอยู่แบบไม่ใจ<ะ>มันถอยออกมาละครับใจมันถอยห่างออ ก, อกจากโลกมาครับนี่พอเราห่างออกมาจากโลกเราก็ไม่ค่อยได้เห็น น, นั้นและมันไปเห็นสภาวะที่ประณีตยิ่งขึ้นสภาวะนี้มีความสุขมีความสงบ มีความสงัดความสบายนิ่งๆว่างๆนะครับเป็นความสงบอะครับแต่ว่าสงบแล้วมีความสุขให้เรารู้ให้เรารู้ลงไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีความสุขหรือเปล่ารู้แต่ว่ามันแบบสงบอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยครับก็ให้รู้ว่าสงบอยู่เฉยๆทีนี้พอไปทํากิจกรรมอะไรในโลกอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกว่าแบบมันทําไปอย่างนั้นแหละก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันติดนิ่งไปหรือเปล่ามันติดหรือไม่ติดอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้นะครับ เพราะงั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็ได้แต่เดิมเราเห็นแต่สภาวะที่หยาบพอเราภาวนาประณีตขึ้นจิตเราถอยออกจากโลกมากขึ้นมากขึ้นเราไปสู่พบภูมิที่ประณีตยิ่งขึ้นเมื่อมันไปอยู่ในภูมิที่ประณีตยิ่งขึ้นอย่างนี้แล้วใจเราไปพอใจเราก็รู้ทันเท่านั้นก็ไม่ติดละครับนะถ้าไ ม, ไม่ไม่รู้ทันน่ะจะติดรรเราจะตายแล้วเก่งจะต้องไปเป็นพระลรพลปล่มเฝ้าโรงแรมคขอบคุณครับ อ่าเชิญข้างหน้าวันสวัสกกหลวงพ่อค่ะคือหลายวันนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างนะะอยากจะข อ, อการบ้านหลวงพ่อเพื่อไปฝึกให้พัฒนาให้ดีข<ป>ึ้นนิดนึงนะเก่งรู้สึกไหมว่าโลกก็ส่วนโลกจิตก็ส่วนจิตใช่ไหมเนี่ยเราฝึกมาจนกระทั่งปัญญามันเกิดนะมันถอยออกมาจากโลกมันเห็นโลกนี่เป็นทุกข์พอมันถอยออกมาแล้วเนี่ยรามัวแต่เป็นงงซะอีกว่าจะไปยังไงไม่ไปไหนหรอก นะมันถอยออกมาแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ก็ให้มันอยู่ไปครูบาอาจารย์บอกให้มันอยู่ตรงนี้อยู่เป็นปีๆก็ช่างมันนะไม่ต้องไปดิ้นรนค้นกวาให้มันหยาบขึ้นไปอีกแต่เพราะว่าใจเราไม่ติดแต่ถ้าใจเราไปติดความว่างเป็นอีกอย่างหนึ่งใจจะติดกับโลกแต่เนี้ยใจเราถอดออกจากโลกรู้สึกไหมโลกอยู่ส่วนโลกจิตอยู่ส่วนจิตว่างก็เป็นโลกจิตไม่ได้ติดว่างนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาคนที่มีปัญหาคือจิตเนี่ยไหลเข้าไปเกาะอยู่กับโลกคือไปเกาะความว่าง ดั้นเมื่อจิตมันถอยออกจากโลกแล้วเราก็คอยรู้ไปได้ไม่ต้องไปทําให้มันหยาบขึ้นมาอีกหรือจะไปสงสัยมากแล้วก็ไปดิ้นให้มันเสียอยู่ตรงนี้แหละอยู่เป็นปีปีก็ช่างมันแต่ถ้าพอใจเมื่อไหร่ก็รู้ทันถ้าพอใจแล้วมันจะรวมเข้ากับโลกถ้ามีสติมีปัญญามีกําลังนีมันจะแยกออกจากโลกแต่ว่าอย่าประคองให้อยู่เหนือโลกอย่าประคองมันมีกําลังมันถอยถอยออกมาเองถ้ามันหมดกําลังมันก็ไหลเข้าไปรวมเองช่างมัน เสร็จแล้วจะไม่ยึดอะไรสักอย่างนะกระทั่งพบอันนี้ก็ไม่ยึดไปถึงไหนล้วเหนื่อยคือหลายวันนี้รู้สึกมันไม่นั่นเหมือนเหมือนกันนะเจ้าค่ะเลยอยากจะขอการบ้านเพื่อไปฝึกใจมันทื่อไปใจมันทื่อๆให้รู้ทันว่ามันทื่อๆอันนี้อใจไปติดโลกมันมันนิ่งเหมือนกันนะแต่ว่านิ่งไม่เหมือนกันมีความนิ่งแต่ว่านิ่งไม่เหมือนกัน นิ่อันนึ่ ง, น, น, งนิ่งเพราะว่าจิตถอยออกจากโลกสงบสงัดเบิกบานอยู่นะอีกอันหนึ่งนิ่งเพราะว่าเข้าไปนอนแช่อยู่ของวันเข้าไปนอนแช่อยู่แล้วอย่างนี้ก็คือให้รู้ทํำยังไงล่ ะ, ะใช่ไหมอยากถามว่าทําไงแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าถามไม่ได้ก็เลยอ๋อให้รู้รู้ไปรู้ไปรู้หลักแล้วรู้ไปลูกเดียวเอ่าชัด เดี๋ยวต้องแกล้งนุชรัสให้มันผ่านนุชรัสไปมาไม่มีกันบ้านส่งอะเอานาดีดูไปเรื่อยๆนะครับใจสบายมีความสุขแล้วรู้มันไปเรื่อยๆครับอ้าวคนไหนใครจะยกมือเชิญโน้นเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองกราบนะมันส ก, การหลวงพ่อครับผมก็ผมก็ปฏิบัติจากฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะครับผมก็ พอจะดูรู้จิตตัวเองบ้างนะครับอืมดีสิฝึกเยอะๆนะครับหัดดูมากๆอยากจะกราบขอนิสัยภาวนาหลวงพ่อสําหรับปีนี้นะครับว่าผมควรจะแล้วไม่มีอะไรครับมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆนะไม่ว่าปีนี้หรือปีไหนก็ฝึกเหมือนกันแหละอยากขี้เกียจก็แล้วกันแล้วจิตผมพอจะตื่นขึ้นบ้างหรือยังครับพอจะตื่นอยู่ให้ฝึกนะฝึกไป อ่ะสั่งหน้าเลยคุณมาลีค่ะหลวงพ่อค่ะช่วงนี้เนี่ยเวลาภาวนาพุทโธพอมันไหลปุ๊บเนี่ยพอไหลไปสักพักมันก็จะประคองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วมันก็ลาคาญก็ก็ให้รู้อย่างนี้เฉยๆเลยเจ้าค่ะก็ให้รู้ว่าลาคาญให้รู้ว่าอยากหายแล้วก็ถ้ามันติดตรงนี้นานนะสอนมันบ้างเจ้าค่ะให้เห็นว่าเนี่เห็นไหมบังคับไม่ได้จริงๆอะ่ะช่วยช่วยมันชิดนิดหน่อยเจ้าค่ ะ, ะมันจะได้กําลังเจ้าค่ะ ครานี้เมื่อกี้จิตตอนที่มาสักครู่มันดูไม่ออกอะเจ้าค่ะมันมันมองเข้าไปแล้วมันก็มันจงใจมองมันจะไม่มีอะไรให้มองอ๋อไม่มีอะไรมองถ้าจงใจดูมันก็จะไม่เห็นอะไรเพราะว่าขณะนั้นสิ่งที่เป็นสภาวะนะั่นก็คือตัวความจงใจนั่นเองถ้า<อ>เรากําลังจงใจดูรู้ว่าจงใจนี่เห็นสภาวะถ้าจงใจแล้ว<อ>ไม่เห็นว่ากําลังจงใจแต่เที่ยวค้นคว้าหาใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นเจ้าค่ะตอนนี้ช่วงนี้หนูควรจะภาวนาเพิ่มเติมทำให้สบายนะ แล้วก็ใจมันเศร้าหมองมันกังวลรู้มันเข้าไปาดูมันเข้าไปเลยเอา้าวในยนิดอยากได้แต่กลัวพวกนี้ประหลาดมนุษย์ที่ตอนนี้ไม่ทราบว่ายังยังถูกอยู่หรือเปล่าคะนี่เห็นไหมมันกลัวทั่งจะถามกลัวอะไร <laughs> กลัวไม่ดีทำไมต้องกลัวไม่ดีกลัวเสียหน้านะเลื่อเลื่อ หมูกระดาษเกิดขึ้นอีกแล้วเออนะมันไปสร้างขึ้นมาอย่ารีบเป็นอาจารย์กรรมฐานนะนอย่างนี้อาจารย์กรรมฐานเนี่ยเหมือนคนฉีเสือน้อยรายที่จะกล้าหารลงอยากหลังเสือต้องกล้าจริงๆน ะ, ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องเอาตัวรอดก่อนนี่ชอบห่วงคนโน้นคนนี้ไปได้ยนี่ใสเสียห่วงแต่คนอื่นไม่ห่วงตัวเองสองวันนี้มันมีเวทนาเยอะค่ะแล้วก็ เพราะว่าวันนี้นะคะเห็นอย่างหนูว่าแม้แต่ยามันก็เอาไม่อยู่อกินยาแรงๆมันก็ยังปวดอยู่ะคะ่ะแต่ปรากฏว่าก็เลยแบบพอมันนั่งสมาธิมันหายหอเลยรู้สึกว่ามันมันบังคับอะไรตัวเองอยู่บางอย่างอืมันคับอย่างแรงเลยนะค ะ, ะเห็นไหมอินในการคุยแล้วรู้สึกไหมแล้วมันมีอัตตาเกิดขึ้นดูออกไหมมันมีความเก่งเกิดขึ้นกูเก่งแล้วกูนั่งสมาธิเก่งกเก่งกว่ายาแก้ปวดอีก พวกหมออายเขานะพวกหมอพวกเภสัชแล้วจริงๆมันมันมองไม่ออกว่ามันคืออะไรตรงนี้ยค่ะอะไรลนะ่ะที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยไม่ต้อง<น>ใส่ชื่อมัน ใ, ให้รู้ว่าสภาวะมันเป็นอย่างเงี้ยซื่อบอื้อทื่อๆอยู่เงี้ยก็รู้ว่ามันกําลังทื่อๆ อ, อยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องมีชื่อที่ผ่านก็ปล่อยมันไปเใช่ไหมคะมันปล่อยไม่ได้หรอกนิดเอียดูมันไปมยังปล่อยไม่ออกหรอกอ่ะคนน้น ว่าจะไม่ส่งนะครับหลวงพ่อแต่ว่าหลวงพ่อให้โอกาสผมส่งละกันอก็เยอะมากนะครับหลวงพ่อเเรื่องไหนดีอเอาเรื่องสั้นๆคือผมทําในรูปแบบแล้วว่ามันระหว่างพุทธกะโทครับมันจะมีอะไรแผ่วๆอยู่ไม่รู้มันคืออะไรอะครับมีอะไรนะมันไม่รู้คืออะไรอะครับระหว่างพุทธกะโทมันมีอะไรไม่รู้เล็กๆมีอะไรเล็กๆนะไม่ทราบมันคืออะไรครับหลวงพ่ออ๋อมีสภาวะเป็นยังไงมัน มันยิบยิบยิบอ๋อนั่นแหละดีแล้วจริงๆสภาวะตัวนี้เกิดตลอดเวลาเลยเราไม่เห็นเองแต่คือความปรุงแต่งเนี่ยนะ<ด>นนเกิดทั้งวันทั้งคืนไหวยิบยิบยบยิบยอย่างนี้แหละดีแล้วเห็นอย่างนั้ น, นให้รู้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปการภาวนาพอถึงขั้นละเอียด น, นะมีแต่ยิบยิบนิดเดียวเหมือนเป็นคลื่นของปรากฏการณ์นั่นเองเป็นกลุ่มคลื่นของปรากฏการณ์ทั้งจักรวาลเยเป็นคลื่นๆไหวยิบยิบยิบินิดเดียว ข, ข้างหลังโน้นเขยกมืออยู่พราวานากันเก่งๆนะปีหนึ่งที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะเลยคุณเบอร์แปดสิบแปดเขาเปลี่ยนไปเยอะ ล, อลอะภาวานาได้ดีนะโยมคุณนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าพอหลวงพ่อพูดคุณเบอร์แปดิบแปดคุณนั่งข้างๆเลยแข็งไปด้วยค่นะหลวงพ่อหนูมาขอกันบ้างค่ะอืมขอไปแล้วไปทํำไหมทําค่ะเออให้รู้สึกไปนะ รู้สึกไปจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไหมมันวิ่งไปวิ่งมาได้เดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเดี๋ยวมันก็หนีไปดูเดี๋ยวมันก็หนีไปฟังนะให้คอยรู้ทันที่มันวิ่งไปวิ่งมาแต่อย่าไปดึงให้อยู่นิ่งๆมันเคลื่อนไหวไปเนี่ยเมื่อกี้มันก็ไหลไปคิดแวบแล้วก็รู้ทันนะให้รู้ไปเรื่อยๆในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่ามันทํางานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างตอนเนี้มันหนีไปคิดอีกแล้ะรู้สึกไหมรู้ค่ะเออมันไหลไปแวบ อาไปถึงไหนละมาถึงไหนมีไหมคนไหนยังไม่กล้าคุยกับหลวงพ่อก็ไม่ต้องคุยไม่ต้องโกอกถกใจนะฟังซีดีไปหรือมานั่งตรงนี้นั่งไปเรื่อยๆเถอะทนๆไปไม่นานก็จะตื่นขึ้นมาคนเข้าใกล้หลวงพ่อแล้วก็ตื่นทั้งนั้นแหละถ้าไม่ตื่นรู้ก็ตื่นเต้นหลวงพ่อครับเพิ่งได้ฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อสักสามสี่เดือนนะฮะ แล้วก็ฟังครั้งแรกก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะครับก็แปลกใจว่าทําไมถึงฟังพระพูดเราถึงไม่รู้เรื่องก็พยายามฟังต่อออืจนกระทั่งมันรู้เรื่องขึ้นมาอืนะครับ อ, อยากเรียนย <ม S 1> ตามโยมตัวไม่ว่าจิตของโยมตอนนี้กับแต่ ก, ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันครับมัน <ะ S 1> นิสัยสันมากนี่แหละดีแล้วใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึข้นมาแล้วอย่ากลับเรียนว่าการทําสมถะ ล่องลอยของเขานี่ต้องต้องสมาธิธรรมถะก่อนถึงจะขึ้นไปถึงเป็นคนาคานะเป็นบางคนอย่างที่พระน น, นท่านบอกบางคนก็ใช้สมาธินําปัญญาทําสมถะก่อน บ, บางคนใช้ปัญญานําสมาธิบางคนนะทําสมถะทำยังไงก็ไม่สงบนะบพวกที่ทําสมถะไม่ได้เนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ปัญญานําสมาธิปัญญานําสมาธิก็คือให้คอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเช่นจิตใจของเราเนี่ย เกิดราคะขึ้นมาเราก็รู้ทันเกิดปฏิฆะขึ้นมาเราก็รู้ทันเกิดความสุขความทุกข์เกิดอะไรคอยรู้ไปเรื่อยนะต่อไปพวกนิวรณ์เนี่ยมันจะแทรกเข้ามาครอบงำจิตไม่ได้นิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธินะพอสติของเราไปรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ดับไปแล้วจิตก็เกิดสมาธิขึ้นอัตโนมัติจะได้สมาธิขึ้นมาเองคนมันมีหลากหลายโยมไม่ใช่ทุกคนต้องเดินทางเดียวกันนะครับ พระพุทธเจ้าท่านเมตตาท่านประธานธรรมะเอาไว้ให้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าคนมีจริตนิสัยแตกต่างกันทางใครทางมันไม่มีผิดมีถูกหรอกอย่างบางคนเขาทำสมาธิก่อนพอทรงฌานแล้วไปติดอยู่กับฌานเฉยๆอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้บางคนทำสมาธิแล้วพอจิตถอยออกจากสมาธินี่มารู้กายมารู้ใจอย่างนี้เขาก็ไปได้บางคนทำสมาธิไม่เป็นรู้กายรู้ใจไปเลย ร, รู้ใจรู้ใจเนืองเนืองไปนะใจก็ค่อยลดความโลดผลลงไม่ดีดไม่ดิน้นต่ก็สงบลงมาก็ได้สมาธิขึ้นมาในเวลาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยทุกคนจะบรรลุด้วยสมาธิและปัญญาไม่บรรลุด้วยอันใดอันหนึ่งเพะฉั้นในพระไตรปิฎกเวลาพูดถึงพระอรหันต์ท่านบนรรลุพระอรหันตนะ์ท่านจะบอกว่าบรรลุพระอรหันต์ด้วยเจปัญญาวิมุตต์และเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบกลับคือต้องควบนั่นแหละ นั้นทุกคนจะต้องทําอย่างนั้นแต่ว่ามันคล้ายๆการเดินเหมือนกันเราจะก้าวเท้าซ้ายก่อนหรือจะก้าวเท้าขวาก่อนก็ได้นะไม่ผิดหรอกขอให้เดินเท่านั้นแหละแล้วแต่อย่าเดินออกนอกลูกนอกทางเดินอยู่ในรูในทางจะก้าวขาซ้ายก่อนก็ได้ขาขวาก่อนก็ได้จะทําสมถาก่อนก็ได้จะเจริญวิปัสสนาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาโดยไม่ทําสมถะเนี่ยกรรมฐานที่ทําได้นะก็คือการดูจิต เพราะอะไรถ้าดูจิตเนี่ยนะเราไม่ต้องไปทําสมถะเราดูจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่มีกามจิตที่มีความโกรธอะไรเงี้ยดูไปด้วยนะพอกิเลสพวกนี้หายไปจิตจะสงบเองแต่ถ้าเราทําสมถะมาก่อนนะควรจะมารู้ร่างกายนะเราเห็นร่างกายเนี่ยมันไม่สวยไม่งามมันไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงนะดูอย่างนี้ดูง่ายเพราะเวลาเราอยู่ในสมาธิเรามีความสุขมีความสงบมีความประณีต ออกมารู้ร่างกายเห็นแต่ของหยาบหยาบของไม่สวยไม่งามไม่น่ารักเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆอยู่ในร่างกายนี้ดูกายไปเลยดูง่ายแต่ถ้าคนจะดูจิตนะไม่ต้องทําสมาธิก่อนถ้าไปทําสมาธิก่อนจิตสงบแล้วจะไม่มีจิตหลายอย่างที่จะให้ดูโระพุทเจ้าสอนบอกจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านถ้าเราไปทําสมาธิก่อนจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ ถ้าเราไปทำสมาธิมาก่อนนะจิตไม่มีโทสะให้ดูเพราะฉะนัะ้นกรรมฐานมีหลายแบบนะทำสมาธิขึ้นมาแล้วรู้กายหรือเวทนานะถ้าไม่มีสมาธิไว้ก่อนให้ดูจิตไปคนที่เรียนกับหลวงพ่อมีทุกรูปแบบนะหลากหลายทรงชานก็มีบางคนบางคนทรงชานบ้านชานเรือนคือพอเริ่มนั่งก็ลงนอนนะเลย นมาสการครับคือผมกเ็เริ่มปฏิบัติมาแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็คือพอเวลาผมตามรู้อารมณ์แล้วแล้วพอเวลารู้ทันแล้วมันจะมีความรู้สึกสะใจที่มันรู้ทันนะครับอให้รู้ว่าสะใจไปสะใจเป็นอารมณ์อันใหม่ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะแล้วการปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องแล้วถูกต้องนะถูกต้องดูไปเรื่อยนะของคุณไปดูตัวนี้ฝากดูอีกตัวหนึ่งตัวมาณัตตานะมันจะแรง หน้าตาคืออะไรครับเซลจัดอะไรเงี้ยเซอลอไปดูนะดูตัวนี้แถมให้นะ<ม>พิเศษอคนเน้นธรรมพิธกรรครับอาจารย์ก็ เ, ออเจอหน้าอาจารย์ทีไรตื่นเต้ น, นทุกทีเลยแล้วก็แอบเพ่งทุกทีเลยตอนนี้ไม่ทราบว่าผมแบบออกแนวประคองกับเพ่งหน่อยหรือเปล่าครับน้อยลงไปเยอะแล้วใช้ได้แล้ว แล้วก็ตอนเจริญสมถะเนี่ยจิตมันเกิดความสงสัยขึ้นมารู้สึกไหมรู้สึกครั บ, รรบให้รู้ลงปัจจุบันอย่างเนี้ยครับอาว่าไปครับตอนเจริญสมถะนะครับมีก่อนหน้านี้ผมจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเจริญด้วยลักษณะที่ว่าเภาคตัวเองว่าลมหายใจเข้านี่ไม่ใช่ของเราแล้วก็พอเห็นจิตมันฟุ้งรู้สึกว่าอ๋อจิตนี่คุมไม่ได้นะไม่ใช่ของเราแบบนี้ถูกไหมฮะอันนี้นก็ถูกนะแต่ถูกแบบสมถะเราสอนมาไปเรื่อยๆแล้วจิตก็สงบลงมา แต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเราก็รู้ว่าฟุ้งซ่านเรารู้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเรารู้เองอะว่ามันบังคับไม่ได้เราไม่ได้พูดนะเราไม่ได้สอนถ้ายังพูดอยู่ยังสอนอยู่ยังเป็นสมถะอยู่ถ้าวิปัสสนาแท้ๆไม่มีคำพูดไม่มีการคิดเจ้าคุณนอเคยได้ยินชื่อท่านไหมเจ้าคุณนอเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักลนะเจ้าคุณนอเป็นพระดีนะอยู่วัดเทพศริน ท่านสอนบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงใจเรายังพูดอยู่นะส่วนของจริงเป็นยังไงความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเรารู้เรื่อยๆไปรู้ความรู้สึกนั้นไม่มีคําพูดอะไรหรอกเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดขึ้นล้วนๆแต่ดับทั้งสิ้นไม่ต้องพูดนะแต่เราเห็นจริงๆอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปรู้มันมันก็หายไปหายไปเองเราไม่ต้องทําอะไรความโลภความอะไรอะไรเกิดขึ้นเราคอยดูไปเรื่อยแล้วมันก็หายไปให้ดูถึงจุดหนึ่งก็หายหมด เเราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆจนใจมันเห็นจริงว่าทุกอย่างเกิดเราก็ดับไปไม่ได้คิดเอาไม่ได้พูดเอาแต่ใจมันเห็นความจริงตอนนี้ ต, ต้องต้องต้องแก้ไขอะไรบ้าไม่แก้นะให้คอยรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยมีความสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้เรื่อยๆไปๆๆพอใช้ได้ละดูไปเรื่อยๆอครับอคุณหมอยกมือไหนคุณหมอร <ๆ S 1> <ห>ัฐเดี๋ยวให้ชีวิตมันท้อแท้ขนาด น, นั้น หลกดรสการครับหลพ่อรู้สึกว่ามีความรู้สึกที่มันเย็นเย็นชื้นชื้นอยู่ข้างในใจครับไม่ทราบว่าพอมีความรู้สึกตือนเต้นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนละส่วนกันไม่ทราบว่าความรู้สึกที่มันครออยู่ข้างในนั่นคืออะไรครัให้มันอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ดูมไปแต่อย่าไปประคองมันไว้ของคุณหมอไม่ใช่ไปรู้มันเฉยๆของคุณหมอลงไปแช่มันด้วยครับปัญหาอยู่ที่ลงไปแช่ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่มันมีอยู่นั่นตรงที่เราภาวนาเนี่ยนะใจมันทีแรกมันเป็นผู้รู้อยู่ พาเป็นผ ja. mm ู้ร um> uh ู้นัเราเห็นโลกข้างนอกกับเพิ่มไหวเห็นความทุกข์ผ่านมาผ่านไปใจไม่เกี่ยวไม่ข้องด้วยใจก็มีความสุขมีความสบายแต่พอมีความสุขมีความสบายแล้วมันหมดเรี่ยวหมดแรงนะมันเลยหล่นแป๊ะลงไปอยู่กับความสบายตัวนั้นเลยลงไปนอนแช่ที่ความสบายเนี่ยนะให้รู้สึกตัวหายใจขึ้นมาหายใจอย่างนี้รู้สึกไว้เห็นไม่เหมือนกันชหลุดออกมาแล้วง่ายบครันะ อ้าวคุณโชคชัยกลับนมัสการหลวงพ่อกลับเห็นจิตมันทำงานตลอดเวลาแรบๆๆๆๆตลอดครับแล้วตัวเองก็มีความพอใจก็มีความรู้สึกว่าเอะเราจะติดความพอใจเก่งไม่ไม่ใช่ติดแต่ความพอใจมันมีความลำพองใจด้วยใช่ว่ากูเก่งไว้ใช่ใช่ๆมันแทรกเข้ามาแล้วให้รู้ทันตัวนี้เลยใช่ครับตัวนี้ร้ายกว่าตัวพอใจอีกนะครับมัน ก่อนนมันก็นั่งอมยิ้มดูเองอแล้วมีคารสึกว่าพอตัวลำพองเกิดเนี่ยนะต่อไปมันจะอมยิ้มคนอื่นด้วยกรจะจกหนะลวงพ่อรู้ดักคอมันมันเป็นแล้วครับมันยังครับก็อยากจะขอกันบ้านหลวงพ่อใ<ด><ด>นฐานะ น, นะดูได้แล้วดูไปครับเมื่อทำเป็นแล้วก็ต้องขยันแล้วคร น, นี้ครับทํายังไม่เป็นอย่าเพิ่งขยัน ถ้าเราดูเป็นแล้วรู้กายรู้ใจได้ถูกวิธีการล้ต้องขยันล้ดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกแต่ไม่รีบร้อนนะบไม่รีบร้อนดูไปเรื่อยๆมันคือการรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจเราเนี่ยจะถูกกิเลสย้อมมาแต่ไหนแต่ไรล้เรียกว่าอนุสัยแล้วก็เรียกว่าอาสวะกิเลส ท, ที่ประณีตละเอียดนี่มันย้อมใจเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่คอยรู้ทันไปเรื่อยๆถ้ารู้ไม่ทันนะมันกี่แยบออกมา อย่างเช่นเรามาดูของเราได้ชำนี้ชำนานใช่ไหมมันก็ภูมิใจขึ้นมากิเลสตัวที่หนึ่งตัวที่สก็เริ่มดูถูกคนอื่นกิเลสมันจะแอบแทรกเข้ามาอย่างเร็อเวอยู่ที่เรารู้ทันรู้ทันในสุดใจก็ไม่ถูกกิเลสนี้ปรุงแต่งเพราะว่ามีสติแล้วก็ฝึกไปเรื่อยใจนี้ไม่ถูกกิเลสย้อมเลยมันแยกออกมาจากกิเลสมันตั้งมั่นอยู่ต่างหากนี่มันมีสัมมาสมาธิมันทรงตัวอยู่เหนือโลกเหนือกิเลสต่อไปมันไม่ถูกย้อมเพราะมันมีปัญญา กิเลสมาเนี่ยมันรู้ทันกิเลสขาดสะบั้นหมดเลยต่อไปมันไม่ถูกยอมเพราะมันมีวิมุติมันแยกขาดออกจากกันเหนือมันแยกออกด้วยหลายวิธีครับมาได้เยอะแล้วภาวนาไปครับขอบคุณครับก็อาศัยหลวงพ่อเนี่ยครับต้องอาศัยตนเองนะตนเป็นที่พึ่งนะครับขอบคุณ <laughs> หลวงพ่อก็ได้แต่บอกได้แต่เชียร์พวกเราอย่างดีนะพวกเราเรียนตั้งใจจริงแล้ว เ, เอาจริง คนคนจริงนะก็ได้ของจริงคนเหยาะแหยะก็ได้ของเหยาะแยะของปลอมๆอมโลเลหลวงพ่อภาวนาเนี่ยหลวงพ่อภาวนาสบายหลวงพ่อเล่นเล่นดูเล่นเล่นไปเรื่อยเราเป็นสุขขาปฏิปทาเราสุขขาไม่ค่อยได้เดินเราดูของเราไปเรื่อยเรไม่รีบร้อนแต่ว่าไม่ได้ขี้เกียจดูตั้งแต่ตื่นจกนกระทั่งนอนกลับ นะยกเว้นตอนทำงานที่ต้องคิดเวลาที่เหลือคือเวลาของการภาวนาเวลาที่เราแบ่งเอาไปทำมาหากินเนี่ยเพื่อจะได้อาศัยอยู่กับโลกเรเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองอะไรเงี้นไปอาศัยเป็นเครื่องอาศัยงั้นงานหลักในชีวิตของเรานะคืองานภาวนาเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสุขที่แท้จริงงานทำมาหากินอะไรนี้เป็นเครื่องอาศัยอยู่กับโลกก็ต้องทาไปไม่ใช่ว่าทอดทิ้งนะ ไม่ทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชอะไรงี้ไม่ดีขอบคุณครับผมจะถือที่หลวงพ่อบอกเป็นคำอวยพรปีใหม่ ใ, ให้เราตั้งใจตลอดปีเอานะเอานะสู้เอานะครับธะอยู่ที่ใจที่ใจนะเกิดอะไรขึ้นใจเราไม่เลิกไ ม, ลไม่ละไม่ละไม่ถอยการภาวนาตามรู้ตามดูเรื่อยไปมันจะขาดใจตายลงตรงนั้นเราก็ดูของเราตรงนั้นเลย เผอหลุดไปตรงนั้นตายปุ๊บลงไปอาจารย์สุจินน่ะท่านสุจินเคยเล่าให้หลงพ่อฟังว่าวันหนึ่งไม่สบายมากมันก็ภาวนาแล้วก็นอนดูไปนะมาเรีเรยเือขึ้นสมองหรืออะไรเงี้ยท่านคิดว่าท่านจะตายแล้วท่านก็นอนดูท่านไปจิตใจของท่านก็โอ้สบายเสร็จแล้วพอไขมันสั่งออกไปนะกลับมารู้สึกขึ้นมาเสียดายจังเลยไม่ตาย เสียดายไม่ตายซะก่อนยเงี้ยไม่ใช่เสียดายตายไม่ได้อ่านอะไรนะหลวงปู่เลยสอนท่านเรื่องตกกระไดฝอยโจนเอาเอาว่าไปกามนักสการหลวงพ่อครับช่วงสองวันก่อนรู้สึกมันมันเหนื่อยกายมันเหนื่อยแล้วใจมันก็ซึมไปอืแล้ววันนี้ได้นอนนอนเยอะเลยครับอืมันก็ดูเหมือนกายกับใจมันสัมพันธ์กันอยู่อ่ามันสัมพันธ์มันมีแรงมากขึ้น มนะมีแงเพราะงั้นอย่างบางทีเราก็ต้องกินบางทีเราก็ต้องนอนนะให้มันพอดีพอดีแล้วมันมีแรงกินมากนอนมากนะมันก็กดจิตอีกจิตเสื่อมจิตมัวนะ ไ, ไม่กินไม่นอนเลยก็ไม่มีแรงนะเป็นที้ใช้ไดนะ้ตอนนี้มันเป็นขั้นฟื้นนะเป็นเพิ่งฟื้นขอบคุณสืบสักก็ตอนที่คนอื่นเขารายงานผมก็ขยับมือก็ก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆ ไม่ทราบว่าช่วงนั้นรู้สึกตัวได้ถูกต้องหรือยังครับพ่อไม่ได้ดูช่วงนั้นนะแต่ช่วงนี้ไม่ใช่อ่ะครับช่วงนี้ติดครับติดก็คือบังคับตัวเองครับทื่อๆไว้รู้สึกไหมทื่อๆครับคุณบรรเจิดดีนะครับเจิดรู้สึกไปใจมันเป็นอย่างนั้นเรารู้ทันแล้รู้แล้วเป็นกลางกับมันใช้ได้ละใช้ได้ตรงเป็นกลางอะไม่ทราบว่าขอถามปัญหานะครับที่ว่าผู้ที่ชานาญในชั้นสี่เนี่ย หมายถึงว่าชํานาญในการรู้กายรู้ใจใช่ไหมครับอะไรนะผู้ที่ชํานาญในการ อ, อ่าในฌานสีนี่ครับหมายถึงผู้ที่ชํานาญในการรู้ใจรู้กายรู้รู้จิตใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ชํานาญในการทําจิตให้สงบในฌานสี่นะฌ<ม>านเป็นเรื่องการทําความสงบนะถ้ า, าถญาณทัศนญาณเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาถ้าฌานทั้งหลายนี่ยเป็นเรื่องการทําความสงบจิตเงั้นญาณกับฌานคนละอันกัน เอาแมวแมวคือจิตมันกําลังคิดอยู่ว่ า, ามันแก้งเข้าใจไปเองอะค่ะว่าถ้าหลวงพ่อไม่ว่าอะไรแสดงว่ามันคงไม่มีปัญหาค่ะเนี่ยมันมีปัญหาตอน <c oughs> ถูกเรียกนี่แหล ะ, ะ <c oughs> จะบอกว่า ท, ท, ที่แต่กี้นี้ใช้ได้ <c oughs> ดีแล้วรู้สึกไปอ่ะคุณเสื้อแดงยกมือไว้คนสุดท้ายน ะ, ะคนสุดท้ายละเดี๋ยวจะต้องไปเยี่ยมแม่หน่อยปีหนึ่งไปเยี่ยมได้สองสามที ธรรมส ก, การค่ะหลวงพ่อคือปกติจะดูเห็นแต่สภาวะเด่นๆพอนั่งฟังไปก็จะรู้สึกว่าตัวเองสงสัยอยากถา ม, ม, มแต่พออยากถามยังไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าทื่ๆหนักๆแต่สิ่งที่อยากถามก็คือว่าคือตอนที่หนั่งทําสมาธิอยู่ที่บ้านอะค่ะมันเหมือนจิตใจไม่ค่อยสงบมันจะคิดไปเรื่อยคิดเรื่องงานคิดนู่นคิดนี่หรือไม่ก็คิดดูลมหายใจหรือมองว่าเออตอนนี้รู้แล้วตัวเองขาชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้หลวงพ่อแนะนําช่วงที่แบบ คือวิธีจะทำให้สงบเนี่ยนะ <STUD trucs S 2> <pursuing? S 1> ต้องใจสบายก่อนความสุขเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสงบนะเพราะงั้นอย่างเรามารู้ลมหายใจก็ต้องรู้เล่นๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างต้องอย่างนี้หรือเราพุทโธจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างพุทโธเล่นๆพุทโธแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยจะสงบอย่างรวดเร็วหรือ<ม>หายใจแล้วมีความสุขก็จะสงบรวดเร็ว<ม>แต่ถ้าหายใจไปบังคับใจจะให้สงบก็ไม่สงบหรอก แล้วอีกอย่างหนึ่งพวกซึ่งปัญญาแรงเ่ยพวกปัญญาแรงกล้าเนี่ยพวกนี้จะไม่สงบง่ายหรอกนะสงบเนี่ยแวบเดียวก็จะถอยขึ้นมาเคลื่อนต่อไปแล้วนั่นของคุณนะมันไม่สงบง่ายหรอกแล้วต้องต้องยังไงอะคะช่วงที่แบบนั่งทําสมาธิอะค่ะนั่งนั่งทําสมาธิแล้วจิตไม่สงบให้รู้ว่าจิตไม่สงบแล้วก็จิตอยากจะสงบรู้ว่าจิตอยากสงบนั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตไปเลยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่าง รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆ อ, อ่ะเมื่อกี้มีใครคกยกมอือคนหนึ่งอ่ะแถมคนสุดท้ายนะอ่ะเดี๋ยวยังมีคนท้ายที่สุดอีกคนกหนึ่งอ่ะก็ตอนเย็ น, น่ะคะ่ะจะนั่งสมาธิแล้วจิตมันจะวาดรูปอะค่ะมันอะไรนะวาดรูปอะค่ะมันวาดข้างในเหรอมันวาดข้างในอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นอารมณ์อะคะ่ะแล้วก็พ อ, อดูแล้วมันก็หายตแต่ว่าจิตมันคิดนั่นแหละ มันพอดูก็หายแต่ว่าพอสังเกตที่ลมหายใจแล้วมันจะวาดอีกอะค่ะแล้วตอนหลังก็เลยมาเปลี่ยนมาดูรู้ที่ท้องอะค่ะมันก็ไม่วาดเราไม่สนใจอะว่าจะวาดหรือไม่วาดนะไม่ใช่ฝึกให้มันไม่วาดนะเพราะฉะนั้นจิตมันวาดรูปเราก็รู้ทันมันจิตเราไม่ชอบอยากให้มันเลิกก็รู้ทันมันไม่ได้ไปฝึกบังคับมันนะไม่ต้องหนีไปที่น้นที่นี่หรอกมัน มันไม่เหมือนอารมณ์อะค่ะเวลาวาดมันจะเหมือนกับเลขแปดที่มันวกไปวกมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะให้ดูไปแล้วดูใจที่ลำคาญไปแต่ถ้าลำคาญแล้วดูไม่ไหวนะลำคาญมากทนไม่ไหวก็ก็ายย้ายที่หนีไปขอบคุณค่ะนี่ดีใจแล้วให้ย้ายที่คนท้ายสุดท้ายสุดเสื้อแดงข้างหลังน้นช่วยส่งไปไหนย <c oughs> เห็นแล้วสงสาร <c oughs> ดีว่าเพิ่งเริ่มเข้าวัดอะค่ ะ, ะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มปฏิบัติยังไงก่อนอะคะปฏิบัติไม่มีอะไรปฏิบัติคือการเรียนรู้ตัวเองนะเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจเท่านั้นแหละรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆแล้วก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจนะให้รู้สึกไปเรื่อยสังเกตไหมใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยสังเกตไหมวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันนะสังเกตไหมมองหเห็น เวลามองเห็นทีหนึงใจก็เปลี่ยนเวลาได้ยินใจก็เปลี่ยนเวลาคิดใจก็เปลี่ยนให้ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะคือ <Okay. S 1> แค่นี้ก็พอละหนูเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยค่ะนั่น <ใจ S 1> แหละวิเศษที่สุดเลยนะ <c oughs> ดีที่สุดเลยเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงก็คือเห็นไม่เที่ยงการเห็นว่ากายใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญา <c oughs> เป็นของที่ดีที่พิเศษนะไม่มีในศาสนาอื่น เอาวันนี้ขอเวลานะขอเชิญโยกกลับบ้านปีใหม่ก็อวยพรให้นะขอให้ขยันขยัน